Fifty languages. สิบสเครื่องดื่มบอนังเกดิฉันดื่มชาค่ะนอนเทนีร์คุดิกเรนดิฉันดื่มกาแฟค่ะ น้อนกาแฟคุดริคิเรนดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะน้อนมินเนอรัลน er ีร์คุดิคิเรนคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะนี่เอลุมิตช์ใเสรตเทนีร์คุดิปปะดุนดาคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะนี สัก்รัยเ ட ร ப ் ப த ก ண ் ட ாคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะนีปนิ ก, กตัดที่กุ ந ீนนีร ட ุ ப ் ப த ுด் ด, ดามีงานเลี้ยงที่นี่ยิงกு ஒ อร์รปาร์ตีนัดกี่รัฐคนกำลังดื่มแชมเปญ a v e r a ம ் champagne คุณิตต์คนดื่มยิ க ் க ிรா ர ் க ள ்คนกำลังดื่มไวน์และบลเบียร์ average wine หรுอ beer ค்ุิตต்คนดื่ม ர ு க ் க ி ற ா ர ் க ள ்คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ நீ மது க ு ட ி ப ் ப த ์ ண ் ட ாงคุณดื่มวิสกี้ไหมคะนี วิสกี้คู่ดิปป์ดูงดะคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะนี่โค้เรรกเสริทรัมคู่ดิปป์ดูงดะดิฉันไม่ชอบแชมเปญเยนักแชมเปญปิดิกาเดดิฉันไม่ชอบไวน์เยนักไวน์ปิดิกาเด ดิฉันไม่ชอบเบีย எனக்கு பியர் ப ிดி க ் க ா த ுเด็กอ่อนชอบดื่มนมซิรุรคุ க ันด பால் பிடிக்கும் เด็กชอบดื่มโกโก้และนปปล้ำแอปเปิ้ลคุรันดายก์โกโก้บุมแอป்ปூ้ล ம ் பிடிக்கும் ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุตเพ่นนี้คือออร์เรนจ์พัลจูซุมดร็อชชย์จูซุมปิดิกกุม